ก็ประโยชน์ของทุดงออกมาแม่พระเถระบรรลือศีหานาถโดยในเป็นต้นว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระองค์เป็นผู้อยู่ป่าตลอดกาลนานแล้วก็สรรเสริญการอยู่ป่ารวมทั้งอย่างอื่นด้วยเนี่ยการที่พระเถระกล่าวคำอย่างนี้เนะ่ะ เป็นการสมควรแต่อัธยาศัยของพระศาสดาเท่านั้นคือพระศาสดาก็มีอัธยาศัยเหมือนพระเถระคือสารเสวนแล้วก็ประพฤติทุดงด้วยไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่ได้สารเสริญพระองค์ไม่ได้เคารพพระองค์ก็สารเสริญข้อปฏิบัติทุดดงอันนี้ตรงอัธยาศัยของพระศาสดาแต่พระศาสดาต้องการที่จะให้พระเถระกล่าว เพเหมือนกับกลองเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ากรองเนี่ยดีหรือไม่ดีถ้าไม่ไปตีต้องตีเราจะรู้ว่าเสียงดีหรือไม่กรองดีก็ตีแล้วจึงดังแต่กรองไม่ดีนะมันมันดังเองนะคือคนไม่ได้คนไม่ได้เรื่องเนี่ยคนไม่ดีเนี่ยจะเทีย่ยวประกาศคุณความดีอันไม่มีในตนของเองของตัวเองหรือมีนิดหน่อยก็เทีย่ยวประกาศแต่พระเถระไม่ใช่เป็นกรองดีที่ต้องมีคนตีจึงจะส่งเสียงดัง ้พระเจ้าก็กล่าวถ้อยคํากระทบกระทบดูว่าให้เลิกซะเถอะอย่าไปประพฤติเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราถามตัวเองเราถ้าพระพู้เผเจ้ามาขอร้องให้เราเลิกเนี่ยเราจะเลิกไหมถ้าเราเคารพยําเกรงพู้เผยพเจา้าว่าโอว่าพู้เผยพเจ้าทรงขอแล้วก็คงจะเลิกกันนะทําตามท่านเถอะท่านขอร้องให้อยู่ในที่ใกล้ท่านให้เลิกอยู่ป่ากก็คงจะต้องทําตาม แต่ว่าพระมหากัสบาทเจราเนี่ยเคารพอย่างยิ่งในกุศลธรรมคือทุดงคุณต่างๆเนี่ยนะน่าเคารพทั้งนั้นนะ่ะการถือผ้าบางสุกุลเที่ยวบินทบาตอยู่ป่าทรงใจจีวรมีความปราถนาน้อยไม่น่าเคารพเลยไม่น่ายกย่องเลยเพราะฉะนั้นพระเทราจึงกล่าวบรรลือสีหนาดนะต่อหน้าพระพักของพระเจา้าซึ่งพระเจ้าก็ สาธุสาธุนะเชิญคุณมีปัญหาหรือเปล่าเชิญถามได้หมดจะใกล้จะหมดเวลาเชิญถามปัญหาได้มีเป็นมีปัญหาจะถามไหมะะจ้า ท, ท่านอาารย่าเรื่อ ง, องกาอยู่ปา่านี่นะครับทีนี้ถ้าเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกัเรื่องของการอยู่กลางนี่นะครับคือคือในนี้ ส, สั่สุณองการอยู่ป่าหมดเลย ที่ผมอยากจะเรียนถามว่ามีบ้างไหมที่กล่าวโทษของการอุป่บ้างหรือเปล่าและมีบ้างไหมที่กล่าวถึงคุณและโทษของการอยู่อย่างเทียบกันนะครับทีนี้ประเด็นที่สองคือประเด็นเรื่องของการทุเครกับมู่คณะเนี่ยตามที่ท่านอาจารย์ตาโรภัทรมาเนี่ยนะครับสันเสริมคุณของการที่เว้นจากการทุเครกับมู่คณะนะครับทีนี้มีบ้างไหมที่กล่าวถึงคุณของการทุบตีกับหมู่คณะมีบกางหรือเปล่าเอาเอาอันแรกก่อนนะคุณโยมครับอันแรกก่อนแรกก่อนนะ อันแรกอยู่ป่ า, าใช่ไหมก็ท่านกล่าวไว้ตร ง, ะงนะครับคุณโยมผ้าสุขนะผ้าสุขในปัจจุบันเลยใครไปอยู่ป่าแล้วเนี่ยจะมีความผ้าสุขในในในปัจจุบันของตัวเองเลยนะสำหรับพระภิกษุเนี่ยนะก็ไปอยู่แล้วเนี่ยจะได้เกิดความสงัดวิเวกอย่างสบายใจของตัวเองของท่านเองเลยเพราะฉะนั้นไม่มีโทษนะครับไม่ได้กล่าวไม่ได้กล่าวโทษ คุณของการอยู่เมืองอะไรพิษุอยู่ในเมืองีคุณอย่างไรสัเรมีไว้นังหมัหรือว่ามีการกล่าวถึงโทษทาง้คงจะโดยโดยอ้อมว่าถ้าไปอยู่เมืองเพื่อไปศึกษาวินัยศึกษาปริยัติธรรมเพราะว่ามีพระภิกษุที่ส่งคุณอย่างนั้นอยู่อันนี้ก็คงไม่คงคงไม่มีโทษนะนะไปอยู่เป็นที่ว่าวัดในเมืองซึ่งมีพระภิกษสุที่สามารถทรง ถ้ามาสั่งสอนได้ท้านพี่นายเราก็ควรจะต้องอยู่นะแต่ดิจะอยู่เพื่ออะไระไปอยู่เมืองมันมีปัญหาอยู่ตรงนั้นไปอยู่ในเมืองเพื่ออะไรคื อ, ค อ, คอตั้งแต่สมัยพุทธการเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามีทิกสูตทั้งอรยุบาลสีและคารมบาลสีมาแลา้วนี่ น, นี่นี ผมไม่แน่ใจว่าคาสีหรืออะไรจนวนมาก่่ากันในยุคพุทธกาลนะฮะก็มีทั้งสองทาสเสริอย่างนี้เแล้วทไมลทไมคนไม่เป็นอะไรจีกันให้รู้ทัเลยทำไมถึงมีาสีเทวท่านเคยไปขอแล้วนะเป็นอัธยาสัยเทวท่านเคยขอว่าปลอยไปนี่ภิกษุนะไม่ต้องอยู่เมืองกันแล้วนะอยู่ป่ากันตลอดเลยห้าข้อนะดีอันนี้ข้อหนึ่ง พระเทวทัตเกิดไปขอพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่อนุญาตผู้ใดพอใจเนี่ยทายาสยก็ไปอยู่เถิดแต่พุทธเจ้าสารรเสริญนะสรรเสริญสรรเสริญคุณแห่งการอยู่ปากครุกครีในชนี้หมายถึงครุกครีแล้วจะไปเหตุให้ให้เกิดการเพนะ้อเจ้านพูดตีระานกถาหรือก็ทำผิดศีล ทำให้เกิดการมา ก, กิเลสอย่างเนี้นะมันเป็นมันเป็นเหตุปัจจัยอย่างนั้นแต่ถ้าไปเพื่อเพื่อเพื่อจะพบกัลยาณมิตรเพื่อฟังธรรมเพื่อถามกรรมฐานถามธรรมะก็ไม่ชื่อเร็นการคุกครีไอ้กุครีเนี่มันมั น, ม, นมันลักษณะว่ามันไปกินร่วมอยู่ร่วมในลักษณะที่จะเป็นกิเลสเกิดคุณโยมมันไม่ได้เพื่อกุศแลแธรรมความความหมายเป็นอย่างนี้นะ ลูกคลีกับคนโน้นคิดถึงอยู่แต่คนโน้นเออเราเคยกินด้วยกันเคยไปบินทบาตด้วยกันเออเดี๋ยวไปหาเขาอีกเถอะแล้วก็ไปคุยเรื่องอะไรต่างๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับกุศลธรรมภาษาลูกลีมาเเป็นภาษาโบราณนะฮะถ้าแปลเป็นภาษาไทยสมัยใหม่จะแปลว่าอะไรไม่รู้ในกายยสังสังคมเขาเรียกว่าก็สมัยใหม่ะเหรอสมัยใหม่ก็ไม่รู้คำสมันี้มันใช้อะไรสมาคมกันอะเหรอะ ใช่ไหมใช่ไหมสมาคมสังคมเข้าสังคมกันนะนะก็สังคมในสมนี้คุณโยมดีเขาเข้ากันเพื่ออะไรเพื่อกามไม่ใช่เรื่องเพื่ออื่นหรอกมาเจอกันเนี่ยมีใครมาให้เจอกันแล้วท่านทั้งหลายกองทั้งหลายจงมาสัมปังธรรมเถิดจงมาปฏิบัติธรรมเถิดไม่ค่อยมีเนี่ยไม่ค่อยมีใช่ไหมรัชสมัยพพุทธเาไม่ีพระสุธรรมวาสีที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าท่าหรือไม่ มีนะที่เป็นพระอรนั้เด่ๆที่เป็นคำอาวสีมีแม้แต่หนึ่งองค์ไะหรือว่าบรรยอสีรื้วันเลยไม่เห็นยกย่องนะที่เป็นเอตทักขท่านอาจารย์มีบ้างไมที่เป็นคำอาวสีไม่เห็นยกย่องเลยเตตทักค้านี่ไม่มีเลยไม่มีเลยเอตาทักค้านี่ไม่มีเลยรอสี้นเลยใช่ไหมฮะใช่รู้ว่าทุกองเลยใช่ไหมะใช่คือเป็นอัธยาศัยของพระภิกษุท่านนะที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยจะน้อมไปในการอยู่สงัด ไม่คุกครีด้วยหมูคณนนะคุณโยมเป็นนัตยาใสคนไม่โรคถ้า แ, แล้วเนี่ยมันจะไปคุกครีกใครนะมันไม่รู้จะไปคุกครีเพื่ออะไรไอ้การคุกคีเนี่ยเนี่ยมันหมายถึงว่ามีโรคเป็นเหตุให้ไปคุกครีหรือไปคุกครีเพื่อได้ความโลภมาอันนี้เป็นเป็นเหตุเท่นั้นแต่แต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่ไม่สนใจใครเลยท่านก็เจอใครท่านก็กล่าวแต่แลเสิญคุณทุ ด, ดง จงพระพุทธทุดงเถิดทุดงให้ประโยชน์2อย่างอย่างนี้อย่างนี้พุทธเจ้าทั้งหลายประพฤติมาแล้วท่านก็กล่าวนะแต่กล่าวเรื่องที่ไม่ถือว่าเป็นการคุกครีแต่เป็นเรื่อง ก, กล่าวเพื่อ น, นํากิเลสออกท่านประพฤติตนผู้อนุเคราะห์อย่างนั้นท่านก็เจอเจอคุณครูเจญเรียนถามว่าในสมัยพุทธกาลนี้พระอรหันต์ออกจากสมาบัติแล้วเนี่ยท่านก็ตั้งจิตว่าจะไ ป, ปโปรด คนยากจนใช่ไฮะแล้วทีนี้มีพระอินมามาแย่งรายบาทใช่แลแ้วทีนี้พอคือไม่เข้าใจว่าสมัยนี้เนี่ยพระทำไมท่านหิ้วถังอะไรแบบเยอะแล้วเกินแบบ<อ>ไม่เข้าใจว่าสมัยนี้นี่พระท่านสะสมของบิณฑบาตได้ด้วยเหรอผิดวินัยหรือเปล่าอา๋อ ท, ที่มารับของอะไรที่โยมนั่นนะนะที่โยมถวาย ก็ถ้าท่านไม่ได้สะสมไว้ค้างคืนไว้กินค้าง ค, คืนก็ไม่ผิดอะไรนะก็รับได้ไม่จํากัดนะคะก็จํากัดตั้งกันนะ่ะไม่ให้เกินสามบาทนะคุณโยมแต่ท่นี้สมัยนี้ก็อ่าเนื่องจากว่าท่านไม่ได้มาพืชทุดงนะใช่ไหมก็บินตาบาดไปตามสายเนี่ยคนมากก็จะมีคนถือมีเนนหรือมีเด็กข้ า, าราชการคุณโยมมีคนถวายมาก แต่ไหมมีคนใส่บาตรมากก็จะต้องมีคนช่วยถือช่วยนําบินทบาทนั้นไปนะถ้าประพฤติธุดงก็เอาเฉพาะที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้อย่างนี้นะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ประพฤติธุดงก็เดินบินฑบาตไปตามธรรมเนียมที่เคยทํามาแมแ้ที่อัตมาที่วัดอัตมเองก็หิ้วถังหิ้วย่ามกันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าคนเขาใส่บาตรมากนะแต่มาเมื่อเมือม่อเมือม่อเมือ่อมา คือเราเร า, เราต้องตั้งใจเราเองอ่ะนะเราต้องคิดเอาเองว่าเราอย่าไปคิดว่าเราจะได้บินธบาตรมากก็เข้าบ้านไปก็เพื่ อ, อไปปฏิบัติหน้าที่ของพระนะที่ยวบินธบาตเป็นเป็นประจําเป็นวัดแล้วก็ให้ผู้ใข่บุญก็ให้ได้บุญนะเป็นอย่างนั้นนะคิดไปตอนนี้คุณโยมมีความสงสัยยังไงไม่หนูเคยไปเข้าไปที่วัดบวรแล้วแบบ ไปพอดีจะอยากจะไปทําบุญเหมือนกันแล้วไปเห็นพระท่านนั่งอยู่แล้วก็เป็นต่างอะไรอาหารประมาณยี่สบสสิบกว่าอย่างวางอยู่แล้วท่านก็แบบไม่ได้ท่านก็คงจะปรองเหมือนกันนะคะก็ค่อยๆกินแต่ว่าท่านรับรองว่ากินไม่หมดทีนี้ก็เลยรู้สึกเอ๊ะแล้วถ้าเราจะเอาไปเพิ่มอีกเนี่ยท่านก็คงจะไม่ไหว <laughs> ก็บางแห่งก็มีลาบมากนะบางแห่งเป็นที่ที่คนไปทําบุญมาก แต่บางแห่งก็ไม่มีเหมือนกันแต่ถ้าเราจะถวายก็ได้คุณโยมไม่เป็นไรเพราะเป็นเรื่องของบุญของเราใช่ไหมถวายแล้วก็หมดเรื่องไปท่านจะเอาไปทําอะไรก็เรื่องท่านส่วนใหญ่แล้วก็ก็เด็กนะคุณโยมมีเด็กวัดมีคนวัดหมูหมาอะไรต่อกันไปเรื่อยอไปกันแบบนั้นนะนะที่วัดก็ที่วัดอตมาก็อาหารก็มากแต่ก็กินกันพระก็กินกันรวมกันนะพระอาจารย์รวมก็กินก็กินอิ่มนึงอ่ะใครจะโลภก็เรื่องของคนนั้น แต่คุณกินไม่หมดแน่รับรองเพราะอาหารมันเยอะเสร็จแล้วก็ต้องเหลือไปให้คนไม่กลาลองทิ้งให้หมูให้ไก่ให้หมาเลยแมว ก, กันต่อไปอย่างนั้นคุณยศนะขอบคุณะก็คงจะหมดไปละเชิญเชิญคุณยศเอาเอาไมโครโฟนกั น, กนะคนอื่นจะได้อยากจะเรียนถามท่านว่าเวลาเราถวายพวกนมเป็นโหลๆเงนี้ฮะ นะเจตนาจะให้ท่านบำรุงเนะีนี่ต้องเก็บไว้นานนะี้ถือว่าเป็นการสะสมอาหารนะครับถ้าเก็บเองก็เป็นนะนะก็มีเด็กมีเนรไม่เป็นนะเด็กเนนเขาเขาเป็นผู้ช่วยเก็บให้ได้เป็นโยมสิ่งเวลาจะฉันก็มาประเคนให้อีกทีหนะึ่งจะได้กลาเป็นไนพรพิฆะต้องรู้เองว่าของอันไหนฉันวันนี้ของอันไหนฉันได้เจ็ดวันของอันไห น, อ, ไห น, อ, ไหนอ่า ฉันได้นานกว่านั้นต้องรู้เองนะพระต้องรู้เองมีวิธีตามวินยัยคุณโยบมีวิธีผมขอบคุณครับอาจา<ะ>รเรียนเรียนถามว่าเมื่อกี้มาเอินฟังเผลอไปนิดนึงนะคะที่ว่าเอ่อทำงานดีนะคะแล้วก็ไม่ได้เลื่อนตําแหน่งแต่ไปเลื่อนให้อีกคนหนึ่งนะค ะ, ะแล้วอันนั้นท่านท่านตอบว่าไงนะในนั้นนะ <c oughs> ไม่คืออย่างนี้นะหมายความว่าพระราชาเขา ตั้งให้เป็นเสนาบดีใช่ไหมเสนาบดีก็ทำงานดีทุกอย่างจงรักภักดีทุกอย่างใช่ไหมแต่แล้วพระราชาก็เอาตำแหน่งเสนาบดีไปให้คนอื่นอย่างนี้พระราชาทำไม่สมควรใช่ไหมล่ะถือว่าทาไม่สมควรเขาเปรียบเทียบไว้ว่าเนี่ยการที่ทำอย่างเนี้ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนะ่ะให้พระมหากรัจปะถือทุดงแล้วก็ไปบอกให้เลิกนะ ว่าพระมหากษัตริยแก่แล้วนะอยา่ยาอยู่ป่าเลย ก, ก็ก็คล้ายๆว่ามอบให้แล้วเอาคืนให้คนอื่นทั้งๆที่ท่านประพฤติดีมาตลอดอย่างนี้ใช่ไหมไม่สมควรอย่างนี้ใช่ไหมเอาเปรียบเทียบเขาเขาก็ยกคําถามเปรียบเทียบว่าพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับพระราชาองค์นั้นใช่หรือเปล่าบอกว่าไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่ได้ประสงค์จะให้เลิกแต่จระสงค์จะให้พระเถระบรรลือศีรษะ กล่าวอัธยาสัยของท่านออกมากล่าวคุณธรรมของท่านออกมาเข้าใจไหมคุณโยมไม่ได้ประสงค์ให้พระเถระเลิกนะไม่ใช่ให้เลิกทุดงไม่ใช่แต่ว่าพระเถระเนี่ยปกติถ้าไม่มีใครถามจะไม่กล่าวจะไม่พูดออกมาเหมือนกรองที่ไม่ได้ตีจะไม่ดังคือคือพระพุทธเจ้าก็บอกว่า ขอว่ามหากรสปะในีเลิกอยู่ป่าเถอะมาอยู่ในเมืองนะเลิกบินตาบาตเป็นประจำเลยรับกิจนิมน์บ้างเลิกใช้ผ้าบางสุกุลเถอะเพราะว่าแก่แล้วต่อจากเบสเธียร่าบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยปฏิบัติมานานแล้วนะตั้งนานแล้วตั้งแต่บวชวันออกบวชนะั่นแหะแล้วพระเจ้าก็เลยถามต่อว่าเห็นประโยชน์อะไรเห็นอานิสง์อะไร จึงปฏิบัติอย่างเนี้ยเนี่ยพระเถระได้ช่องแล้วได้ช่องแล้วจะได้แสดงคุณของพระของทุดงอยู่โดยเฉพาะคุณข้อหลังว่าจะได้เป็นตัวอย่างของคนรุ่นหลังนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกตำแหน่งนี้ไปให้ ใ, ใครหรอกนะยังเป็นของพระเถระนั่นแหละมอบให้เด็ดขาดอยู่แล้วว่าพระเถระเป็นผู้เลิศในการถือทุดงและสระระเสริญทุดงนะไม่ได้เปลี่ยนแต่เพียงจะให้โอกาสท่าน เทระได้กล่าวคาที่แสดงความกล้ า, าหาญความศรัทธาอันยิ่งใหญ่สรรเสริญคุณของทุตดงปกติท่านจะไม่กล่าวอนนี้พอพระพู้ดเจ้ากล่าวแล้วพระพูทเจ้าให้โอกาสแล้วจะจะกล่าวแล้วไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่เหมือนกับพระราชาพนระราชาทมไม่ถูกเขาทำงานดีแล้วเขาจงรักภักดีซื่อตรงดีกับไปยกตําแหน่งให้คนอื่นอย่างนี้ไม่ถูก เป็นคนละกรณีกันแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จะให้พระเทเรศเลิกเลิกประพฤติทุดดงเพียงเพราะรู้อัธยาศัยอยู่เพียงเพื่อจะให้โอกาสแก่พระเทเรศได้กล่าวสรรเสริญประโยชน์ของทุดดงแล้วจะได้จะได้พระพุทธเจ้าจะได้สาธุในอนุโมทนาพระองค์เองก็ประพฤติอย่างนี้แล้วก็ได้สรรเสริญว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มาก าการกรณีพระราชาก็เป็นเรื่องคล้ายๆอักขติใช่ไปชอบคนอื่นมากแลยยกตาแหน่งให้คนอื่นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้ น, น ท, ทั้งคถามทั้งคตอบ ท, ที่ถามตอบ ม, ม, อ ม, มีอยู่ในหนังสือเลยใช่ไหมครับมีอยู่ในหนังสืออยู่ในส่ว น, น, วนของขอกส า, ารใช่ใช่ใช่ท่<ค>า<ำ>น<อ>ต่างเป็นเอการไปว่าคนท่านคำตอบเองเพราะว่าคนจะต้องสงสัยว่าอ้าวอ้าวพระพู้ดุจเจ้าประพฤติทุดงสรรเสริญทุดดง แล้วก็พระเถระก็ประพฤติตุดงกันเริ๋อตุดงแล้วทำไมพทธเจ้ามาขอร้องให้พระเถระเลิกคล้ายๆกับคุณโยมอย่างนี้บอกเออไปรักษาศีลนะพอถึงวันดีก็ดีโยมแก่แล้วอย่ารักษาเลยอย่างนี้นะเนอะก็ดูว่าจะผิดเรื่องใช่ไหมแต่จริงๆไม่ได้ผิดเรื่องหรอกไม่ได้ผิดเรื่องหรอกนะเพราะรู้อัธยาสัยพระเถระดีพระเถระเะนี่ยมั่นคงอในคุณธรรมอย่างนี้ก็จะ แต่ให้โอกาสแก่พระเถระว่าทำไมจึงไม่เลิกทัง้งนั้น่พุธเจ้าไปขอร้องพระเถระก็กล่าวประโยชน์สองประการว่าเป็นความสุขของท่านในปัจจุบันนี้เห็นได้เลยแล้วก็เป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังๆต่อมาจนบัดนี้คือถ้าใครได้ไดอ่านเรื่องพระเถระแล้วเนี่ยนะใจจะน้อมไปศรัทธาจะจะทุดงตามจะประพฤติปฏิบัติตามว่าพระพุตธเจ้าก็ดีพระ สาวก ท, ทั้งหลายก็ดีเช่นพระมา ก, กัะสปะทำะทุดงมาแล้วพระพุทธุดงมาแล้วได้รับความสุขอย่างนี้นอย่างนั้น้นะก็จะได้ทำตามเป็นเปิดเปิดโอกาสให้พระเถระได้แสดงได้แสดงคุณธรรมของท่านออกมาเต็มที่เลยเพราะโดยปกติพระเถระเนี่ยไม่ค่อยเปิดเผยคุณของท่านนะปกติเป็นผู้มักน้อยนะท่านสารเสริญคุณเนี่ยคุณของทุดงนะ เราไม่ได้บอกว่าท่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมในทุดงกอนไะอย่างนั้นไม่ใช่หรอกนะแล้วก็ทุดงเขามีคุณอย่างนั้นจริงๆคือให้ความสุขแท้จริงอย่างนั้ น, นะท่านก่อสรรเสริญตามความจริงไม่ใช่ว่าสรรเสริญไม่ว่าฉันปฏิบัติฉันเลยสรรเสริญไม่ใช่เ ป, เป็นเป็นเป็นความจริงของสิ่งนั้นไม่ใช่เรามีศีลแล้วเราเลยสรรเสรสิญศีลว่าดีไม่ใช่ศีลเขาดีจริงๆโดยตัวเขาเอง มักผลนิพานเขาดีจริงๆไม่มีใครไปสรรเสริญเขาก็ดีอยู่อย่างนั้นไอ้โลภโกรธหลงใครไปสรรเสริญมันก็เลวอยู่อย่างนั้นแหละเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นความจริงของมันอ่าอันนี้ก็คงจะเลยคาถามอ่ามีมีคาถามอีกเหรอก็คงจะยุติการบรรยายธรรมเพียงนี้ขอผลบุญแห่งการฟังธรรมและแสดงธรรมของท่านจงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านได้ใกลจากคนผ่านในพบทั้งปวงที่ท่านเกิดได้พบแต่บัณฑิตเช่นพระพุทธเจ้าและพระมาหากัสปะได้ตัดสรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วโดยเรยวพันุทุกท่านเถิด ก็เรียความสุขโยมมีทุลกอะไรเนะ